เกี่ยวกับเนื้อหาภายในนะครับเรื่องจากหนังสือจะเป็นรวมเรื่องเล่าจากบรรดาลูกศิษย์ที่จะทําให้คุณได้รู้จักหลวงตาพระมหาบัวในหลายแง่มุมที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนสิ่งที่คุณเคยเห็นและเคยได้ยินมาอาจเทียบไม่ได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของเรื่องจริงที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าองค์พระหลวงตามหาบัวท่านมีบุญคุณต่อประเทศชาติและลูกหลานไทยมากมายอย่างไรพระอริยสงฆ์ผู้กอบกู้ชาติให้รอดพ้นจากหายนะ และยังเปลี่ยนไปด้วยเมตตายอย่างล้นเหลือสงเคราะห์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกพบทุกภูมิทุกชนชั้นวันนะหลากเรื่องราวที่คุณจะทึ่งและไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาของหนังสือนะครับขออ่านข้อความที่พอจะรวบรวมมาให้ฟังกันก่อนเป็นคำกล่าวของพระอริยสงฆ์ของไทยและหลายท่านที่กล่าวถึงหลวงตาพระมหาบัวญาสัมปันโนไว้ดังนี้ครับ มหาบัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะในวันข้างหน้าในอนาคตเบื้องหน้าพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและระศาสนาพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเทระพระบูรพาาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานกล่าวพยากรณ์ไว้เมื่อพุทธศักราช2482 เมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้ออกมาทำโครงการผ้าป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนกับพื้นแผ่นฟ้าที่ห่มคลุมหรือปกป้องแผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลวงตามหาบัวทําไมถึงขั้นจริงๆแล้วลราก็ จะถามปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะหลวงปู่แหวนสุจินโนกล่าวชมหลวงตา ม, มหาบัวยาณสัมปันโนในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั้งหนึ่งในยุคบ้านหนองผือพระอาจารย์ ม, มหาบัวลึกซึ้งมากทุกวิถีทางท่านพระอาจารย์มั่นไว้ใจมากกว่าองค์อื่นๆในกรณีทุกๆด้านหลวงปู่ล่าเขมมาปัตโต วัดภูเจาะก้มุกดาหารกล่าวถึงหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเป็นพระอรหร100ันร้อยเปอร์เซ็ต์พันเปอร์เซ็นหลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีบารมีมากเหนือใครๆฤทธิ์ก็เยอะนะบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญที่ทํากับหลวงตามหาบัว เสดายที่โยมพ่อโยมแม่ของอัตมาตายไปเสียก่อนหาไม่แล้วจะต้องให้มาทำบุญกับหลวงตาซิเลยทีเดียวสิ่งที่หลวงตามาหาบัวธรรมถูกต้องทุกอย่างอัตมาไม่มีข้อสงสัยให้ทำตามหลวงตาให้หมดหลวงพ่อสังวานเขมโกวัดทุงสามขคีธรรมสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกระตปุญโญ ว, วัดสังฆทาน ได้กล่าวถึงหลวงตาพระมหาบัวในยุคนี้ไม่มีใครเกินหลวงตามหาบัวหลวงพ่อแนนสุพัฒโท ว, วัดซ้ำขาวถ้ำยาวจังหวัดขอนแก่นผมยอมท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวดูลักษณะท่าทางนี่ไม่ผิดกับท่านอาจารย์มั่นผมจับได้หมดเลยผมเคารพสุดยอด หลวงปู่เจ้ยจุนโทวัดป่าภูริทัตปฏิปทารามปทุมธานีกล่าวถึงหลวงตามหาบัวให้รีบไปกราบหลวงตามหาบัวเสียไวๆที่สุดเถอะเพราะหลวงตาท่านเข็นสังขารคือต่ออายุมาให้นานถึง1ิบกว่าปีนี่แล้วนะพระอาจารย์แบนวัดดอยธรรมเจดีสกล น, นครกล่าวกับสิทธิ์ตอนหลวงตามหาบัวจเจริญอายุได้90ปี มีคนเคยนำภาพอาจารย์มหาบัวไปให้หลวงปู่ดูอธิษฐานจิตท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์เนี้กราบขอขามาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านเวีนานี้หากเกิดการไม่สมควรหรือบกพร่องในการถ่ายทอดบทความและคำกล่าวของทุกทุกท่าน แต่ด้วยหวังเพียงว่าการเผยแพร่ศีดีชุดนี้จะนำความสว่างมาให้กับผู้ที่ยังหลงผิดและไม่เชื่อในองค์หลวงตาพระมหาบัวได้กลับตัวกลับใจไม่เผลอปรามาตรลบหลูท่านให้เป็นบาปกรรมติดตัวซึ่งจะนำมาซึ่งพบชาติแห่งความทุกข์ที่ยาวนานจนประมาณไม่ได้ขอกราบถวายกุศลที่เกิดจากธรรมทานที่ได้ทำมาทั้งหมดบูชาถวายแด่พระรัตนตรยัย พ่อแม่ครูอาจารย์ปิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่านและขออุทิศบุญกุศล น, นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทุกสรรพสัตว์สรรพดวงวิญญาณและเทวดาทั้งหลายขอจงได้ร่วมอนุโมทนาพร้อมกัน